เขมาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะเจริญได้ยังไงวะน่ะไม่ต้องบาบรรลุหรากูสโล จ, จิตเขาจะเกิดอย่างต่อเนื่องได้ยังไงถ้าเขาสลดสังเวชไม่เป็นไงไะเช่นมาอยู่โรงแรมที่กูพูดแบบภาษาชาวบ้านกูนี่นะดีนะโรงแรมห้าดาวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าพูดสลดสังเวชใจปั๊บมองโอ้โหนี่นะ้เดือนหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายควรจะเท่าไหร่คือค่าใช้จ่ายนี่มันชัดน่อนะพวกกิจกรรมโรงแรมเนี่ยค่าใช้จ่ายนี่ชัดใช่ไหม รายได้ล่ะทัวร์จะลงมาวันละสิบรูปสิบรูปสิบรูปอย่างนี้ไหมไม่ใช่เลยนะแล้วคนงานนะบอกซ้ายมันก็ไปซ้ายบอกซ้าขวาก็ไปขวาใช้งานอะไรก็สะดวกสร ด, ดวกโยทินหมดไม่ใช่เลยเนี่ยนะกนะ็ดูแล้วถามว่าอยู่อย่างนี้เนี่ยการทํามาหากินการประกอบอาชีพเนี่ยนะไม่มีผู้มารบกวนเลยหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคสังคมสิ่งแวดล้อมเสียงสะท้อนจากภายนอกเข้ามาเลยหรือเจ้าของนอนหลับหรือเปล่าเนี่ย แต่ถ้าคิดโดยรอบโดยใคร่ควรวญจริงๆเราเนี่ยจะรู้ว่าวัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเลยถ้าเราทั้งหลายจะต้องให้มาเฝ้าโรงแรมอย่างนี้ตลอดชาติเอาไหมโอ้โหไม่น่าสนใจเลยใช่แต่ถ้าเราคิดในตอนได้โอ้โหมาเห็นอู้ดีนะงามนะสวยนะฮ่าดาวพอมาแต่งไอ้วัวเนี่ยถ้าเราต้องมาเฝ้าอยู่ตรงนี้นะไอเป็นพนักงานนับสตังก็ได้เอะ นับอยู่อยนีน้คุณไม่ต้องทําอะไรแล้วนับแต่สตั้งอยู่ในนี่นะมันน่าสนใจตรงไหนพันถ้ามองโดยสังเวกวาถูได้จะเจริญได้แต่ยังแม้กระทั่งผ้าม่านเนี่ยนะก็ดูอรวดล้ายงามวิจิตนะถ้าขี้เรื่องจุติปั๊บเนี่ยถามว่าปฏิสนธิเป็นแมลงที่นี่ได้ไหมได้ก็เริ่มเห็นทุกทันทีเลยเนี่ยเริ่มเห็นภาระจากที่ตรงนั้นเข้ามาทันที หรืถ้ามองว่าสิ่งเหล่านี้มันเก่าเป็นใช่ไหมผุเป็นใช่ไหมเปลือยเป็นใช่ไหมถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเขาให้มันมันไม่ดีจริงเนี่ยในสิ่งนั้นจิตมันก็จะเริ่มสังเวชไอความสังเวชเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ที่จะที่จะโยมนิโสมรัสการเพื่อคุณธรรมชั้นสูงต่อไปอการพิจารณาอย่างนี้ดูเหมืนว่าส่วนใจนี้จะเป็นอารมณ์ที่เป็นอจาัายที่ทให้เบื่อหน่ายแล้วก็คิดออกจะเป็นอนิจฐานลมเป็นส่วนใจญ่ที น, นี้การจเจริญ ปีติสัพโพชงจะเป็นคนลักษณะกันยืงไงครับสามารถเป็นไปกับสังเวคขวัตถูเหล่านั้นได้ไหมครับเอถ้าเป็นพวกปีติสัพโยชงเนี่ยนะเมื่อเมื่อเจริญไปแล้วคุณธรรมเจริญงอกงามมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่เบื้องแรกๆเลยเนี่ยให้แยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรก่อนคิดว่ากำหนดทางแห่งวัตตะกับวิวัตตะให้ดีๆก่อนเนี่ยนะซึ่งอะไรนะ พูดแบบภาษาไทยแล้วว่าคนจะตกงานอยู่ร่อมร่อมรอมร้ อ, ร อ, ร อ, อยแล้วนะนะเข้า ง, งานก็ไม่ค่อยจะได้แต่บอกไม่อยากมีเวลางานไปพักผ่อนเนี่ยนะถามว่าควรจะมีความคิดแบบนี้ไหมในตอนนั้นนะนะนะตอนที่ระว่างงานก็ยังสมัครไม่ได้ไม่ค่อยมีงานทําหละนะนะตกงานรายจ่ายรายรับไม่พอจะจุนเจือครอบครัวเนี่ยแต่คิดการพักผ่อนเนี่ยมันก็ยากฉันใดถ้าอย่างในยุคนี้เลยเนนี่ะในการตรึกเนี่ยเบื้องแรกก็ต้องตึกว่านี่คืองานของเรานะ จะด้วยเหตุผลใดเราก็ต้องตึกต้องพิจารณาให้มากๆแต่ถ้าเป็นถ้ากล่าวตามโคปาลกาสูตรเนี่ยผู้ที่เขามีปีติปรามโม้นะสมัยผู้ตดการก็ยังอาศัยการฟังธรรมอยู่มีความสุขเพราะการฟังธรรมปีติปรามโม้เพราะการฟังธรรมจนกว่าฟังเป็นต้นเนี่ยจนกว่าจะรู้จักสร้างความปรามโม้ให้แก่ตัวเองเป็น เ, เมื่อเจริญกุศ ล, ลธรรมชั้นสูงไปบ่อยๆมากๆเข้าจะสร้างความปรามโม้นให้แก่ตัวเองเต็มเลยจะจะไม่สู้อยากสักเท่าไหรถ้าหากว่าเจริญไปจนถึงระดับหนึ่งเพราะว่าเขาจะเพ่งยังไงแล้วสลดทันทีพิจรารณาอย่างไงแล้วโสมนัสขึ้นทันทีเนี่ยนะคือสามารถมีวิธีการพิจารณาได้ตั้งหลายอย่างก็อยู่ที่ว่าน้อมไปเพื่อจะเจริญคุณข้อใดบางสูตรก็คล้ายๆกับพูดว่าเหมือนอย่างอมาตที่มีผ้าเยอะๆเนี่ยนะ เหมือนเอาราวกันแล้วกันนะนี่ยตู้เสื้อผ้ามีหลายชุดอย่างนี้เหมือนคุณอุไรกัแล้วกันเพราะอยากจะใช้ชุดไหนก็เปิดมาใส่ได้ทันทีใช่ไหมเพราะว่ามีเยอะอยู่แล้วฉันใดผู้ที่ศึกษาพระธรรมมาระดับหนึ่งแล้วเจริญไประดับหนึ่งเนี่ยน้อมไปเพื่อจะนึกเรื่องไหนก็ไม่สู้จะยากเหมือนกับคนมีพระไบริฎกครบชุดอยู่ที่บ้านใช่ไหมนึกอยากจะอ่านเล่มไหนก็เอามาเปิดอ่านฉันใดผู้ที่เจริญกุศลธรรมชั้นสูงก็ลักษณะ น, น, นั้นน้อมไปที่จะจ ะ, จะเจริญอะไรก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องการเจริญกุศลธรรมที่ได้ยาวเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มวิมังสาธิปติเนี่ยนะมีปัญญาเป็นเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นอธิบดีพอที่จะแยกแยะอะไรเป็นอะไรว่าอ่ะตอนนี้หรือพูดวิมังสาก็คือวิจารณญาณที่แม่นยำค่อนข้างแม่นยำมากๆเลยคนนือน้อารมณ์ที่เป็น เ, เหตุให้เป็นสังเวชวตัตถุเนี่ยก็ จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเพียรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะน้อมไปเป็นอกศุศลได้ง่ายถ้าถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าจะเป็นไตกะโสมนัสได้นีครับก็ถ้าผู้ที่ที่จเจริญกุศลธรรมมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะสังเวกวัตถูกของเขาเป็นเหตุแห่งปีตินะนานที่กล่าวว่าพระโมคคัลลานะเห็นเปรตท่านยิ้มนะไม่ได้เครียด ท่านยิ้มเลยว่าเราพ้นจากสภาพเหล่านั้นแล้วพานในอารมณ์ที่เป็นสังเวกวัตถุเนี่ยผู้ที่เจริญกุศลธรรมมาระดับหนึ่งเนี่ยนะปรารบอะไรก็ดีใจเช่นว่าผู้ที่อย่างว่าเรานั่งรถบนเนี่ยในเมืองพระณศีเนี่ยนะเห็นหมู่ประชาชนที่คนทุกคนยากคนประกอบอาชีพฝุ่นนี่เคลอนหายใจก็ไม่คล่องอัน น, นเห็นฝุ่นเขาคละคลุ้งไปหมดเลยกับของเราที่นั่งอยู่บนรถแอร์เนี่ยเราจะรู้สึกเครียดไหม ทำไมเพราะเราเนี่ยมั่นใจว่าเราสบายสบายกว่าสภาพเหล่านั้นฉันใดถ้าพิจารณาสังเวกวัตถุเนี่ยนะเรามีคุณธรรมเป็นที่อุ่นใจอยู่แล้วใช่ไหมเช่นเรามีศีลเป็นต้นเป็นที่อุ่นใจอยู่แล้วเรามีสารณะเรามีที่พึ่งเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในอารมณ์ทั้งหลายเราก็มีพระธรรมคําสอนให้เราพิจารณาเราไม่ใช่คนยากเราไม่ใช่คนอนาถาเราเป็นคนมีที่พึ่งเราเป็นผู้ที่มี สารณะพระท่านมองในแง่นี้ปั๊บจะปลื้มปีติทันทีเลยเนี่ยนะว่าชีวิตของเราไม่เป็นชีวิตที่ว่างเปล่าไม่ชีวิตที่เอไม่ใช่ชีวิตที่เป็นมันแต่เป็นชีวิตที่ที่อะไรที่ได้สุขแล้วโสมนัสเป็นชีวิตที่ที่มีสาระอนะเหมือนกับพูดแบบหลายๆท่านพูดว่าไม่เสียดายชาติเกิดอะเป็นชีวิตที่เรียกว่าไม่เสียดายชาติเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นชีวิตที่มีสาระก็คือดํารงอยู่ในสาระคุณมี ศีลเป็นต้นเนี่ยนะศีลศรัทธาฮิริโอตต ะ, ะสุตะมีสติมีปัญญาเป็นตัวอย่างน้อยก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหลังว่างนั่ะ น, น้อยที่สุดนะเป็นคุณธรรมเบื้องล่างที่สุดแล้วคุณธรรมอื่นๆก็กําลังพ่อพูนอยู่พันเมื่อพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นเหล่านั้นก็จะปราโมทเพราะเห็นคุณที่มีอยู่ในตนคือระลึกถึงคุณที่เราได้เจริญมาแต่ถ้าคุณธรรมที่ ไม่มีในใจเลยคิดไปในแง่ไหนก็ไม่มีคุณธรรมในใจเลยนะถึงจะทําด้วยน้ําตาก็ยอมควรแล้วที่คร่องประพฤติด้วยน้ําตาถ้าจะต้องใช้น้ําตาเข้าแรกก็ต้องทําถ้าหาว่าพิจารณาในแง่ไหนก็ไม่มีเลยนะพิจารณาหันหังเหลียวซ้ายก็เงียบเหลียวขวาก็ไม่มีอะไรเลยนะนะแล้วภาคเพียรอย่างไงถ้าต้องทําด้วยน้ําตาพระองค์ก็บอกว่าทําเถอะนะบางสูตรนี่พองเลยว่านะพระพิสูจน์ที่บวชทั้งน้ําตาเนี่ยพระองค์ก็ยังยกย่องอยู่ดี เพราะนั่นจะเป็นปัจจัยแห่งความสุขการพิจารณาธรรมเนี่ยในตอนต้นถึงจะประกอบด้วยทุกโทมนัสบ้างก็ก็ดีถ้าทุกโทมนัสเหล่านี้จกเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อศรัทธาของเราที่จะมั่นคงแต่ไม่ใช่พิจารณายิ่งพิจารณายิ่งทุกแล้วมันบอกไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเนี่ยนะถ้ามันแอบกระซิบว่าไม่เอาสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะให้ให้ใ ห, ให้รู้ให้ดีเด้ยวยว่าเนี่ยสนิมได้เกิดขึ้นแล้วนะ นำกรดได้ลดระดลดลงในเหล็กของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะท่านก็ระวังให้ดีๆมากเลยนะว่าความคิดที่อะไรเนะี่ยที่เป็นไปเพื่อความท้อเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความท้อถอยเนี่ยทัานทุกโทมนัสนั้นเอถ้าผู้ที่มีธรรมสกตาดีๆหน่อยจะเป็นเหตุใกล้ของความภาคเพียรพยายามว่านี่นะที่เรายังไม่สบายใจเนี่ยแสดงว่าเราเจริญคุณยังไม่พอเนี่ยนะยังหาเนีะนะ ที่พึ่งที่เรินที่ป้องกันไม่ได้อย่างเช่นใครที่ระ ล, ลึกถึงความตายนะแล้วเครียดให้รู้เถอว่าคนนั้นเหมือนกับว่าจะให้เดินทางโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในระหว่างทางเนี่ยตอนที่เรามาอินเดียเนี่ยนะมีใครเสียใจบ้างที่จะต้องมาอินเดียแล้วเนี่ยได้เวลาไปแล้วเนี่ยเสียใจมากเลยมีไหมไม่มีทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะเรามั่นใจว่าเรามาแล้วเรา ได้บุญร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนนะักที่อยู่ที่อาศัยอาหารการเป็นอยู่กันไปทั้งอาหารกายอาหารใจเราก็มั่นใจว่าเราได้ตายแล้วก็ไม่ได้ทุกอย่างที่เราคิดอะไรเท่าไหร่หรอกเลยาๆแล้ว ก, ลลก็เลยดีใจที่จะได้มาถ้าจะไม่ได้มาที่จะต้องเสียใจใช่ไหยอย่างคุณอรัยเลยน้องถ้าถ้าได้มากับไม่ได้มาในดีใจเสียใจกันอย่างนั้นไม่ได้มาก็เสียใจเลยใช่ไหมนั่นทําไมจึงจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเรามั่นใจใช่ไหย เพราะเรามั่นใจฉันใดผู้ที่มองชีวิตในภพใหม่ก็เหมือนกันถ้ามีอะไรถ้ามองว่าตนมีคุณธรรมชั้นสูงไม่มีอะไรทีจ่จะต้องน่ากลัวอะไรนะพูดแบบท่านวิถุนบัณฑิตก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่กลัวตายเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทําบาปอะไรไมไ่จะกลัวไปทําอะไรฉันใดก็ดีเมื่อพิจารณาถึงความตายเป็นต้นอย่างที่กล่าวว่าผู้ที่พิจารณาอริยสัจเนี่ยตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนี้ทุกจริงแต่คนนั้นไม่ได้ทุกเลย ถ้าพิจารณานี้ทุกนี้ทุกนี้ทุกถ้าโยนิโสมนัสิการจริงๆเนี่ยไม่ทุกเลยเพราะอะไรเพราะเขาพิจารณาว่าตัวนั้นเป็นวัตถุแห่งทุกข์ทุกวิปริณามะทุกข์และสังขาระทุกข์เขาจะไม่มองมันมันโทสะโดยส่วนเดียวไม่ใช่นี้ทุกเนี่ยคือนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกนี้เป็นที่ตั้งแห่งวิปริณามะทุกข์นี้เป็นที่ตั้งแห่งสังขาระทุกข์พวกนี้เขามองอะไรเขามองยาวเขาไม่ได้มองชีวิตแค่ แค่ขณะเดียวใช่ไหม อ, อ, ยอย่างสมมุติที่เรียกว่าเห็นนี้ทุกข์กับบางอย่างเนี่ยเพราะเขามองอะไรยาวๆฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาพิจารณาอะไรยาวๆมองอะไรทุกอย่างโดยการไกลเนี่ยนะพวกนี้ไม่เครียดนะกลับมีความสุขด้วยซ้ําไปในสูตรไหนพี่ที่ว่าเรากล่าวการรู้อริยสัจเนี่ยเป็นไปกับสุขโสมนัสนะเจลิสูตรใช่ไหม ไม่ใช่เป็นไปกับทุกโทมานัตแต่ทีนี้ถ้าเบื้องต้นเนี่ยนะถ้าจะต้องใช้น้ำตาเข้าแรกก็ต้องยอมอย่างเรามาไหว้พระที่พุทธคยาเลยเนี่ยนะมาด้วยร่างกายสดชื่นกับปรี้กระเป๋าไม่ปวดไม่เมื่อยถนนเลีกหมดซุปเปอร์ไฮเวย์แบบไปเมย์ยุโรปไหมไม่ใช่นะเป็นยังไงเมื่อวาน มาที่ธรรมจักนิพนน์เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ากลับมาเรายังฟังทำต่อไปไหวพระบูชาปีติโสมนัตกันต่อเนี่ยนะ ท, ทั้งทั้งที่เป็นสภาพแบบนี้แต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรท่านนี่คือการวิจารณญาณตัวเนี้สําคัญที่สุดสติสัมปชัญญะตัวนี้จะต้องจะต้องดีมากๆเลยว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรวางใจในลักษณะไหนเนี่ยนะเรื่องต่ละเรื่องควรคิดยังไงแบบผู้บริหารตั้งหลายว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาควรคิดแค่ไหน อันนี้จะคิดมากไปหน่อยละมั้งอันนี้มันชักบุนวายไปละมั้งเป็นต้นเนี่ยจะต้องแยกให้เป็นพราะในบรรดาการพิจารณาอริยศาส์นั้นสัจจะไม่ใช่มีสัจจะเดียวมีทั้งทุกสมุทัยนิโรธและมักในอารมณ์เดียวเนี่ยคนให้เห็นสัจจะสี่เอามองเห็นทีต้องคนให้เห็นสัจจะสีให้ได้อยังไงเนี่ น, นี่ทุกขสัจเนี่ยเป็นยังไงชาติที่ทุกเป็นต้นนี้สมุทัยศาสตร์เพราะวัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งปัญหาแล้วถามว่าถ้าดับวัตถุนี้ได้จริงแล้ว เห็นยังไงเป็นการเจริญสติประธานสี่เมื่อมีพี่เป็นอารมณ์ย่างไงเป็นสัมมาประธานสี่เป็นอิทธิบาทสีเป็นอินทรี่ห้าเป็นพล้าห้าเป็นโพชงเจ็ดเป็นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะหรือถ้าเห็นแล้วเจริญศรัทธานะมีพี่เป็นอารมณ์โดยมีโสตาปติยังค่าธรรม เช่นคบสัตว์บูรุษเนี่ยพระพุทธเจ้าแนะนําให้พิจารณาว่ายังไงถ้าสูตรเนี่ยให้พิจารณาเห็นทียังไงเนาะทีเป็นของร้อนยังก็ว่าไปเนี่ยนะก็อธิตตาประิยะสูตรอนัตตลักษณะสูตรเป็นต้นก็เอามาพิจารณาเถอะถ้า พ, พิจารณาได้อย่างนั้นบ่อยๆจนจิตละอลักดุศลนมิตกได้ระดับหนึ่งนี้สุขสมนัจจะเกิดเธออนิมลท่านช่วยแจกแจงเลยนะครับเพราะว่าเห็นทิอีทอยู่ทุกวันแต่คนก็ยังสงสัยนะครับที่บอกว่านี้ทุกเมันทุกยังไงอืม คือถ้าอ ถ, ถ, ถ, ถ, ถ้าตามสภาวะของพีอิตเนี่ยนะพีอิตเป็นวัตถุที่มีชาติเป็นธรรมดาใช่ไหมเนี่ยนะถามว่าผู้ที่มีชาติเป็นธรรมดานะถ้าบอกวันนี้ทุกเนี่ยพีอิตเนี่ยต้องแบกขันห้านี้ตั้งกับปฏิสนธิมาจนถึงวันนี้จนกว่าจะจุติถ้าดับขันห้านี้ไม่ได้ต้องแบกขันห้านี้ไปอีกถึงไหนอย่างที่ว่านะพีอิตมีตาเนี่ยจะต้องบริหารตาเท่าไหร่มีหูต้องดูแลหูอย่างไงมีจมูก ภาราในการดูแลจมูกมีลิ้นภาระในการดูแลลิ้นมีร่างกายภาระในการดูแลร่างกายมีชีวิตภาระที่จะต้องดูแลเรื่องชีวิตเพราะเป็นไปกับชาติตุกเนี่ยนะเพราะขึ้นชื่อว่าชาติเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกเนี่ยนะแล้วต่อไปแล้วชาตินี้ทุกก็คือชาติทุกข์ต่อชาราทุกขหละนะเป็นยังไงว่าเชื่อเหอะวันนี้สาวกว่าพรุ่งนี้อยู่อินเดียเนี่ยสาวกว่ากลับบ้านเราเมืองไทยเนี่ยนะ แล้วก็มีแต่สรุปว่ามีแต่แก่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะอุโนโลกอะไรนะโลกนี้อ่ะอัญชลานําไปไม่ยั่งยืนก็เดินไปสู่ความแก่กว่าทุกวันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอีกพักหนึ่งไม่รู้ใครไปงานศพใครก่อนก็ไม่ทราบเห็นไหมไม่รู้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลไหนไม่ทราบอันนว้านนครนู่นว่าไม่ทราบ <c oughs> <c oughs> แต่ละก็ไปเยี่ยมกันเนี่ยเปลี่ยนกันเยี่ยมป่วยเยี่ยมไข่ยอยู่นี่แหละแล้วตายแล้วเอา ไม่รู้ใครสวดอภิธรรมให้ใครก่อนก็ไม่ทราบนะใครไปงานใครก่อนแต่ถามว่าชีวิตที่ดำรงอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะแล้วพีโ่โศกาะน้ำตาเท่าไรแล้วเนี่ยนะก็เห็นนี่ขนาดมาฟังธรรมยังน้ำตาขนาดนี้แล้วทาไมฟังธรรมมันจะขนาดไหนเนี่ยทุกอันนี้เรียกว่าโศกปริเทวะเดี๋ยวก็พร่ำแล้วใช่หมธรรมกุศลจิตไม่เกิดจะไปไหน แล้วก็ร่างกายล่ะไม่เจ็บไม่ป่วยหรือมีคอเวลาสาธยายมากไม่ปวดไม่แสบคอหรือมีศีรษะไม่ปวดศีรษะหรือมีแขนไม่ปวดแขนหรือมีฝ่าเท้าเนี่ยบนแผ่นแผ่นดินเทพถนนมันร้อนเนี่ยเหยียบไปไม่ร้อนหรือมีข่ามีขามีการบริหารมียืนเดินนั่งนอนมีการกินดืม่มเคี้ยวลิ้นจนถึงขับถ่ายจารณปัสสาวะไปต้นไม่เป็นภาระหรือแล้วถามว่าทุกขะโทมนัสแล้วอุปายาชีวิตเนี่ยที่อยู่เนี่ยอยู่ด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาเลยหรือ ก็ไม่ใช่นี้ทุกก็คือเป็นอณชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตถ้าสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างสมปรารถนาหมดก็อะไรตัญหาก็เข้ามาราคาก็เกิดถ้าไม่สมปรารถนาโทสะก็เกิดแต่ถามว่าเนี่ยรูปเหล่านี้เนี่ยนะคือก็พิีก็คือที่ประชุมแห่งตาหูจมูกเลนกายใจหรือขันท่าตาพิภมีอะไรเป็นเหตุเกิดมหพูตรูปเป็นเหตุใกล้ แล้วมหาพูทรูปเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีวิญญาณเป็นเหตุใกล้วิญญาณมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสังขารสังขารมีอวิชชาเป็นเหตุใกล้เพรันธ์อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีกรร ม, มวิญญาณทําให้เกิดมหาพูทธรูปก็ทําให้มีตายอย่างนีน้เมื่อมีตาพิสมองเห็นก็อาศัยจักขู่กับรูปเกิด จะคูวิญญาณทัานพีทมองรูปตั๊บก็คือสร้างตาอย่างเงี้ยเอาตาไปต่อตาเอาตาไปต่อต า, ตอตาก็ยาวอยู่อย่างงี้แหละทัานนี้ทุกเนี่ยนะและ้วปัญหาก็ไม่ได้ลดลงเลยถ้าไม่เห็นอริยสัจถ้าไม่เจรณนนุปัศนาเจ็ดเนี่ยนะอย่าคิดนะว่ามันจะถมเต็มทวารตานี่ใครถมเต็มมั้งไม่เต็ม เพ้ท์พระองค์แต่ ว, วัตถุนี้เป็นวัตถุที่เศร้าหมองเป็นธรรมดาเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นที่ต้านแห่งความคับแค้นใจเป็นธรรมดาถ้าทิ้งจักรคู่อันนี้ถ้าอสุ ร, รหัตมรัคไม่เกิดนะก็ถือเอาอะไรถือเอาจักรคู่อันใหม่เมื่อใดนะที่สุดแห่งทุกเหล่านี้จักปรากฏชัดแก่เราได้มันก็เฟ้นจากสิ่งเหล่านี้จนกว่าจะเห็นในสิ่งอีก อีกตรงกันข้ามแต่ถ้าเฟ้นอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นปฏิปทาเพื่อดับทุกข์แต่ถ้าใส่ใจคนละเรื่องกันเลยถ้าใส่ใจอีกข้างหนึ่งที่เป็นสายตรัสถามุทัยก็วัตตะยาวเพราะฉะนั้นในแง่สมุทัยเนี่ยถามว่าเป็นยังไงก็ความคิดแบบเราคิดเนี่ยนะที่ทิ้งคําสอนหมดนะั่นแหละคือสมุทัยสัจจะล้วนๆเลยแต่ถ้าคิดตามคําสอนนั้นคือการเจริญมัคคสัตถ์ทั้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นยังไงก็ทิ้งสาระไม่ได้ พิจารณาลึกซึ้งขนาดไหนยังไงก็ต้องมีสารณะโดยสรุปคือถ้าคิดตามคําสอนเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดับทุกข์ถ้าคิดเองโอ้โยทุกข์ยาวแนะ่กนะ็มาเชื่อเลยนะคนโยมบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนนี้นะถ้าเขาคิดอะไรนะคนอื่นเดือดร้อนหมดอ่ะนะนะบางบางอย่างนะั้นออกมานึกเลยนะถ้าคนนี้ออกความเห็นเมือะไรนะคนอื่นจิกในระนาดหมดนะนะมันก็เงียบๆดีอย่างเงี้ย อย่างเอาพูดอีกนายหนึ่งนะยมพ่อเนี่ยถ้ายมพ่อนะถ้าทํางาน t อ p เนี่ยเริ่มคนอื่นเริ่มเดือดร้อนหมดละสมมุตินะถ้าสมมุติอาเกิด น, นี้เล่าให้ฟังไม่ได้ประจานเล่าให้ฟังสมมุติถ้ายมพ่อแกลึกอยากทํานาขึ้นมานะสมมติแกมีที่สี่สิบไร่มีนาสี่สิบไร่นะถ้ายมพ่อทํานานะภายในสามปีเนี่ยนาหลุดแน่เห็นไหมทาไมรู้ไหมอย่าเริ่มจ้างในไทยเป็นเสียเป้านา จ้างไถจ้างปักจ้างดำจ้างดูแลจ้างค่าปุ๋ยจ้างเกี่ยวจ้างเก็บจ้างขนเข้าบ้านแลแ้วแกเป็นคนสปอร์ตไม่ใช่จ้างต่อแรงงานนี่นะเลี้ยงเล่าบริบูรณ์ตลอดเพื่อพันาสามปีนี่หมดตัวแน่ย้าจริงๆเขเป็นอย่างนั้นมากนะปีนี้ดีใจมากที่ไม่ได้ทำนะมันหมดตัวแน่ คือถ้าถ้าลองถ้าได้ไดยมพ่อได้ลองคิดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะว่ามาเดือดร้อนตลอดนี่ร้อนมาเกือบสิบปีแล้วเนี่ยก็ขอให้ก็ได้ขยันได้คิดอออยนาเวนแต่คิดเนี่ยทาบุญนี่แหละแต่เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเลยนะแต่เองต้องอยาคิดแล้วมาบอกยมพ่ออยู่เฉยๆเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนีขยันมากแล้วมีแต่เดือดร้อนไหมมาเดือดร้อนคนเดียวถึงคนอื่นเดือดร้อนนี่หมดละนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราคิดเองส่วนใหญ่นะจะเป็นลักษณะเดียวกกรณีเดียวกันเนี่ย นำมาสร้างความเดือมบากใจจนได้อย่างสมมตินะถ้าเราคิดเองนะเราจะแอบหวังลึกๆใช่ไหมปัญหาบอคิดด้วยปัญหา ส, ส่วนใหญ่นะเสร็จ แ, แล้วสิ่งนั้นมันเป็นอย่างที่เราหวังไหมไม่เป็นหรอกถ้าเราหวังเองนะถ้าเราคิดเองนะสิ่งนั้นจะต้องเที่ยงอะนะเนี่ยี่ยถ้าเร า, เราหวังเองนะสิ่งนั้นต้องสุกสิ่งนั้นต้องงามและเรามีอำ น, นาจจัดการได้เนี่คือถ้าให้เราคิดเองนะเราจะคิดอยู่เท่าเนี้ยเที่ยงสุกงาม ไอ้เรามีอำนาจเรามีอำนาจนี่เราไม่ธรรมดานะเมี่ยถ้าให้เราคิดเองแนละ้วเราจะคิดได้แค่นี้แหละว่าเราจัด ก, การได้สู้ได้มันดีมันไม่มีอะไรเสร็จแล้วจริงๆเอาเข้าจริงๆเรามันไม่เป็นอย่า ง, งานั้นแต่ถ้าคิดตามคําสอนเพราะคําสอนนี่จะคือคําสอนของพระ อ, องค์ทั้งหมดเนี่ยนะอย่างคําว่าตถาคตเนี่ยมีความหมายหนึ่งว่าตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าพรรษาที่พระ อ, องค์ตรัสเนี่ยเป็นคําสอนที่สร้างความเมาได้จริง คำสอนทั้งหมดเนี่ยสร้างความเมาได้จริงเพิกถอนแห่งอะไรได้จริงคือสรุปว่าคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนดับทุกข์ได้จริงๆเนี่ยนะดับทุกข์ได้จริงๆเมื่อดับทุกข์ได้จริงๆเนี่ยถ้าคิดตามคำสอนนั้นจึงเป็นสัมมาปฏิปทาถ้าเมื่อใดที่คิดเอาเองโดยที่ทิ้งคำสอนโดยประการทั้งปวงนั่นเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่เฝ้าวัตต์เนี่ยนะ ในทุกอารมณ์เนี่ยนะพันพยายามที่เรียกว่าเบื้องต้นเลยอะรับอารมณ์อะไรให้นึกถึงคําสอนสักสูตรให้หนึ่งให้ได้อย่างที่เรามาที่นี่นเนี่ยนะเห็นอารมณ์อะไรเนี่ยแยกปฏิปทาสามให้ได้ก็ใช้ได้ล้วสมมติเรามองเห็นอาจารย์สันติคิดยังไงเป็นการมสุขลิกานุโยกเป็นยังไงคิดการมสุขลิกาณโยกมาโอ้โหหล่อเป็นต้นเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนี้ไปเรืร่อยๆก็เป็นกลุ่มการมัศุขลิกานุโยกถ้าเป็นอัตตากิรามัฐานุโยกอ่ะคิดยังไงเป็นอัตตากิรามัฐานโยก ไม่ใช่โทสะนะกลุ่มอาาัตถากิร่มัทายกคิดเพื่อเบียดเบียนตนเช่นเนี่ยนะเนี่ยอาจารย์ทันติจะว่าอะไรเราหรือเปล่านะท่านจะตาหนิอะไรไหมท่านจะด่าเราหรือเปล่าเป็นต้นนั่นคือลักษณะคิดเพื่อเบียดเบียนตนนะ่ะนะรวมๆแล้วอะ่ะมองเห็นแล้วมองลักษณะว่าคิด เ, ดเบียดเบียนตนเองนั่นเป็นอตัตถากิร่มัทานโยกถ้าเป็นมัชชีมาปฏิปทาบอกนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยเห็นดังนะั้นเด็กก็ชาติชารามรณะ โซเป็นที่ตั้งแห่งโสกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาจารสันติยิ้มบ่อยหรือโทรมานัตบ่อยก็ด <d ue> ูเอาเนี <al> <d ue> ่ยนะไปคุยกันแล้วกันเนี่นะโซมานัตบ่อยหรือโทรมานัตบ่อยก็ก็ไล่ไปตามนั้นไปเรื่อยๆจะรู้ว่านี้ทุกพระพุทธเจ้าตรัสไปดีแล้วไม่มีผิดหรอกเน <d ue> ี่ยนะแต่ทีนี้เห็นอาสันติยังไงเป็นกายานุปัสนาพิจารณายังไงเป็นเวทานานุปัสนาพิจารณายังไงเป็นจิตตานุปัสนาพิจารณายังไงเป็น ธรรมานุปัสสนาคิดยังไงเป็นการคิดแล้วลอกุศลมันลดลงคิดยังไงและกุศลเจริญขึ้นที่เป็นสัมมประธานเนี่ยแล้วคิดด้วยฉันทามัยคิดด้วยวิริยะไม้ด้วยมีื่มังสาหรือเปล่าในการพิจารณาคุณธรรมเหล่านี้เห็นยังไงเจริญศรัทธาเห็นยังไงเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาคิดยังไงในเช่นเห็นกรรมมัสกาสามมาวิถีมีวัตถุสิบเลยใช่ไหม รกรรมสกดาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบกล่อเช่นทานมีผลที่อาจารย์สันติไม่ให้ทานมานะเดือดร้อนแนะ่ในชะนะ่ไหะก็อาจารย์สันติใช้คำว่าเป็นคารวะผู้ไม่ได้ครองเรือนก็แสดงว่าท่าบุญเก่าไม่ดีจริงๆมาเนี่ยอยู่โดยที่ไม่ครองเรือนถามว่าทําได้ยังไงเอาแสดงว่าท่านให้ทานมาดีเยี่ยมมันนะ เขาหลายหลายคนก็อิทธิชยาจาย์มันติบอกว่าเป็นพวกเสรีชนก็ว่างั้นน <c> ะ <oughs> เป็นผู้มีบุญนะให้ทานมาเยอะแล้วสุขภาพโดยรวมเนี่ยก็ดีกว่าคนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็แสดงว่าไม่เบียดเบียนสัตว์อายุไม่ใช่เน้นนะรุ่นเดียวกันไม่รู้มีตายหายตายจากไปบ้างแล้วล่ะมีอายุยงังยืนทุกวันก็แสดงว่าเบ้นจากการนาติบัตบริบูรณ์ด้วยโภกท้ศัพย์โดยที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องการใช้จ่ายเท่าไหร่ก็แสดงว่าเว้นจากอธินนาทาน นะศัตรูไม่ถึงกับมากนะักก็ถือว่าผลของการไม่การเมีสูมิจฉาจาร์ เ, เป็นต้นนะ่ยนะสติปัญญาก็ดีทรงจํพาพระธรรมก็ได้เยอะเป็นต้นก็สแสดงว่าเว้นจากสุราเมาีไรเนี่ยทุกคนก็พูดด้วยคําไพเราะด้วยเป็นต้นก็สแสดงว่าเว้นจากคําหยาบมาเป็นอย่างดีก็แสดงว่าผลบุญเหล่านี้ามาดีแล้วก็มาดูเหตุใหม่ต่อไปเนี่นนยนะให้เป็นกรร ม, มสกตารสำมาทิฏฐิ นี่ถ้าเป็นวิปัสสนาสามมาที่ทิก็แยกว่านี่ขนันนี้ธาตุนี้อายตนะเนี่ยนะเห็นปับสาธยา ย, ยาเช่นขนันธาตุอายตนะจำหน้าแล้วใช่ไหมเนี่ยขันธาตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคิดอย่างนี้ก่อนก็ได้จักขูธาตุรูปธาตุจักขูาากขวิญญาอะไรนะจักขูธาตุรูปธาตุจักขูาากขวิญญาณธาตุโสตธาตุคาพูดที่เปล่งออกมาก็เป็นสัทธาตุได้ยินเสียงก็เป็นโสตวิญญาณธาตุก็สาธยายไว้อย่างนี้เลย แล้วก็สาธยายเป็นอะไรจักขู่ธาตุรูปธาตุจักขวายตนะรูปลายตนะโสตายตนะสัท ธ, ธายตนะคานายตนะคันทายตนะก็สาธยายเป็นอายตนะใช่ไหม ถ้าขาดยาเป็นอินเสียจักขุนศีโสตินศีคารินศีชิวหินศีกายินศีอิทินอิทินไม่มีปุริสินรีไม่แน่น่าจะเกิดทําเหตุบางอย่างแล้วอิทินศีปรากฏในยุ่งว่างเลยนะอิทินศีไงชีวิตตินศีใช่ไหมสุขินศีทุกขินศีโสมนัสินศีโทมอนัสศีแล้ว รูเบคขินทรีย์ก็สาธยายเป็นอินทรีถ้าสาธยายเป็นปฏิจจา ก, ก็าจทันติอาศัยจากขูกระพรกเกิดจากขูวิญญาณญาณทันติเห็นก็สร้างสร้างตาถ้าสุดาปฏิมักไม่เกิดเป็นต้นเนี่ยนะก็คือกิจกรรมในการสร้างตาไปตลอดก็มองเห็นเป็นอินทรีย์แล้วก็นี้ทุกก็อุย้ยสูตรที่เรียกว่าแค่คิดตามสูตรแนะั้นก็ใช้เวลาตั้งเยอะแล้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เนี่ยคิดเป็นอภินิยายนิเทศก็ ก็ก็ดีเนี่ยนะก็สาทยาเนี่ยนะเช่นตามเห็นจากขัวจารสันติโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงสาธยาอย่างนี้ให้จนคล่องแค่วจนชํานาญก่อนก็ยังดีถ้าไม่ได้อะไรจริงๆก็ให้มากไปด้วยสุตะเพราะอ น, นิสงค์ของสุตะนี้มีไม่ใช่น้อยเพีองแต่ว่าอ น, นิสงค์ของธรรมะที่ท่องอทรงจําที่คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิพวกนี้จะทําให้บรรลุเร็วเพราะพวกนี้ขึ้นหัวข้อตั้งจะต่อได้ทั้งหมดเลย ขอให้ขึ้นข้อให้อย่างเดียวใช่ไหมถ้าอย่างสมมุติว่าเรียนขันห้ามาเป็นอย่างดีขึ้นรูปปั๊ต่อได้เลยถย้าเรียนอายตนะสิบสองมาถ้าขึ้นจากขวายอายตนะก็ต่อได้ทันทีถ้าเรียนธาตุมาจากขูธาตุขึ้นมาก็ต่อได้อย่างอื่นอีกเยอะเรียนอินทรีย์มาขึ้นจากขุนศี Jeez, ก็ต่ออย่างอื่นได้เรียนปฏิจจามาก็ขึ้นอวิชชายอยู่ศัพท์เดียวหรือขึ้นอายตนะขึ้นตรงไหนก่อนก็ได้จะเดินหน้าถอยหลังก็ได้ทั้งหมดอริยรรร 4, สัจสี่จะพูดสัจจะขึ้นไหนขึ้นมาก่อนก็ได้ อันนี้คืออันนี้สองข้อการฟังทำรรจนชํานาญคล่องแคล่วขึ้นใจถ้าธรรมะที่มีอยู่ก็เพียงพอที่จะเอามาพิจารณาแต่ทีนี้อันนี้หลักการกว้างๆก่อนนะส่วนในรายละเอียดมันก็มีเทคนิคในนั้นอยู่อีกเหมือนกันที่จะพิจารณาในแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่จะให้ยาวได้มากได้เจริญได้อะไรเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งองค์ประกอบเนี่ยเยอะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็สุดแท้แต่ว่านิวรมันไม่กลุ่มรุมหรือถ้านิวรมกลุ่มรุมคิดยังไงจึงจะลดนิวรมได้ พิจารณายังไงนิวรนทั้งหลายจึงจักลดลง